185ผู้หลงมุ่นอยู่กับความว่างคือผู้หลงทิศผิดธรรมหรือมีแต่เรื่องของวัตถุหรือมีแต่เรื่องของมหาภูตสีหรือมีแต่อากาศอาวกาศความว่างที่ปราศจากจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องของปัจจุบันของวัตถุอากาศอาวกาศความว่าง ที่ไม่ใช่การทำใจในใจมนศิการกลายเป็นการศึกษาที่หลงทิศผิดเป้าแห่งสัจจ์เพราะคำว่าว่างนี้ไม่ใช่วัตถุธรรมใดใดว่างแต่เป็นจิตใจของเราผู้ปฏิบัติต่างหากที่ว่างจากกิเลสนั้นๆผู้หลงทิศผิดทางไปมัวมุ่นขบคิดหรือหลงศึกษาแต่ความว่าง ของอะไรสารพัดนอกตนนอกตัวซึ่งมีแต่ตรร ก, กะหรือการครบคิดถึงสภาพที่ว่างอย่างเยบคายการสารพัดซึ่งมันไม่ใช่เป้าแท้ของปรมา ธ, ธรรมคือจิตเจตสิกที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศของนามกายและรูปกาย หรือความเป็นกายให้ถูกเป้าอย่างสัมมาทิฐิจริงๆถ้าเพี้ยนไปมัวแต่มุ่นอยู่แต่กับการขบคิดถึงสภาวะความว่างของอะไรต่ออะไรสารพัดก็ไม่ใช่ที่หมายของพุทธธรรมที่เป็นปรมาถธรรมโดยเฉพาะนิพพานซึ่งหมายถึงการพ้นทุกขอาิยสัตย์ ต้องรู้ความเป็นเวทนาหรือความรู้สึกอารมณ์จิตใจตนให้ได้ทุกขะอริยสัจสุขเทศสุขาิกาอยู่ในเวทนานี้แท้ๆพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้จากเวทนานี้อย่าไปหลงทิศผิดทางอยู่การเกิดของธรรมะจึงไม่ใช่การเกิดของวัตถุหรือมหาภูตะ หรือมีแต่อากาศอาวกาศความว่างที่ปราศจา ก, กจิตวิญญาณระหว่างกลางของรูปกับรูปเป็นความว่างจะเรียกด้วยภาษาว่าศูนย์ศูญยตาได้แต่ไม่ใช่ภาวะของนิพพานที่ศาสนาพุทธให้คมปฏิบัติเพื่อบรรลุให้ได้ เพราะนั่นเป็นแค่ความว่างที่เกิดอยู่ในธรรมชาตินอกตัวคนเมื่อใครไปหลงนับเอาความว่างแบบนี้มาเป็นนิพพานก็คือผู้มิฉาทิฐิทั้งนั้นภาวะความว่างหรือสุญญตาแบบนี้แหละที่นักขบคิดมากจะไปหลงขบคิดแล้วได้สุญญตาแบบนี้ก็ได้แค่ความว่างเปล่าจริง ไม่ใช่ภาวะของนิพานเลยความคิดนี้เป็นอนาคตอยู่ซึ่งนักตรึกนักคนคิดหลงตรึกหลงนึกคิดกันอยู่มากหลายจนกลายเป็นศาสดาหรือปรมาจารย์ผู้มีมุมลึกที่ขบคิดได้ยอดล้ำเกินลึกกว่าใครยิ่งยอดเยี่ยมจนใครคิดเทียบได้ยากไปเลยกันทีเดียว